เวลานั่งสมาธินี่เรารู้สึกแค่รู้สึกรู้สึกถึงความมีอยู่ของร่างกายความมีอยู่ของร่างกายนี่มันไม่มีอะไรเฉพาะเจาะจงเป็นแค่ความมีอยู่ ไม่ได้อยู่ที่ไหนไม่ได้เพ่งอะไรไว้เรารู้สึกตามที่จิตมันไปรู้สึกบางทีมันก็ไปรู้ลมบางทีมันก็ไปรู้สึกหัวใจเต้น บางทีมันก็ไปรู้สึกถึงสภาพที่มันรู้หลว ม, ลวมสภาพของความเป็นร่างกายเฉยๆก็รู้สึกแค่นั้นไม่มีอะไรมากกว่านั้น ถ้าเรารู้สึกอะไรมากกว่านั้นเรากำลังให้ค่าให้ความหมายความปรุงแต่งจะเกิดขึ้นการที่เรารู้สึกอยู่เฉยๆ น, นี้ไม่มีความคิดอะไรเราพูดถึงพุทธ รู้ตื่นเแบบิกบานขณะที่เรารู้สึกตัวเรียกว่าเรากลังรู้แล้วพอเรารู้สึกตัวในขณะนั้นไม่มีความคิดอะไรไม่มีความคิดปงแต่งอะไร ในขณะเราตื่นพอเรารู้ล้เราตื่นขึ้นมาด้วยเราจะพบความสดใหม่ชีวิตชีวิตเราสดใหม่เสมอนะที่เรารู้ตื่นชีวิตที่รู้ตื่นนนี้ ไม่มีความคิดปรุงแต่งทำให้ใจิตใจเราเศร้าหมองไม่นมีเมฆบอกมาติดบงังพ่อเรารู้เตื่นมันเลยเบิดบานคำว่าเบิดบานไม่ใช่ยิ้มทั้งวันเป็นคนบ้าคำว่าเบิดบานคือมันไม่เศร้าหมอง ชีวิตมันสดใหม่ชีวิตที่สดใหม่เป็นคำที่ผมอยากให้ทุกคนระลึกไว้เป็นคำที่น่าสนใจเมื่อเราตื่นขึ้นมา ความสดใหม่จะเกิดขึ้นทันทีที่ให้นั่งหลับต า, อาลองหลับตาดูแล้วเราก็สังเกตว่าในช่วงแรกที่เราหลับต า, าความรู้ตื่นชัดเจน แต่เดี๋ยวเ ร, เ, รเราหลับไปสักพักหนึ่งเนี่ยเริ่มเคลิ้มละอารมณ์เคลิ้มแบบนั้นเราจำเป็นจะต้องเห็นมันให้ได้เราต้องเห็นมันให้เร็วกว่ามันจะเคลิ้มไปเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดจากความตื่นที่มันดรอปลงแรกๆเราตื่นอยู่ร0อยเปอร์เซ็น์เรานั่งไปนั่งมา จิตใจปกติดีเราเริ่มเพลินเข้าไปในความเป็นปกตินั้นเรากลายเป็นเข้าไปอยู่ในสภาพสภาพนซึ่งได้เป็นความเพลินเราพอใจกับสภาพที่เรากำลังเป็นอยู่ เราต้องรู้ทันความพอใจสภาพนั้นๆที่เรากําลังมีความสุขอยู่เราต้องสังเกตจิตใจของเราที่มันเริ่มดรอปลงความตื่นร้อซ์ของเรามเริ่มดรอปลงเราต้องเห็นทันถ้าเราเห็นทันที่เราจะไม่หลับเราจะไม่เคลิมเราจะไม่ง่วง เพความตื่นนี่เป็นความสดใหม่ความสดใหม่นี่มันไม่มีอะไรตกกำลังไม่ตกความตื่นไม่ตกเพราะฉะนั้นความง่วงเหงาหานอนนิวร์ต่างๆมันมีไม่ได้พุทธะนี่คือรู้ตื่นเบิกบานพวกเรารู้สึกตัวนี่เรารู้ พวกเราไม่หลงเข้าไปในความคิดนี่เราเหมือนจะตื่นเหมือนกันลแล้วพอจิตใจเราปกติจิตใจมันก็ไม่เศร้าหมองมก็เรียกว่าเบิกบานก็ได้แต่การตื่นมันต้องไม่ใช่ความเพลินด้วย เราปฏิบัติธรรมกันเนี่ยเพื่อวันหนึ่งเราจะเข้าถึงความเป็นพุท ธ, ธะรู้ตื่นเบิกบานรู้ตื่นเบิกบานนี่เป็นกิิยาเราเป็นพุท ธ, ธะคือหมายถึงว่าเราเหลือแต่กิิยารู้ตื่นเบิกบาน คำว่าตื่นถ้าเราจะลองให้ความหมายคําว่าตื่นมันไม่มีอะไรเลยคําว่าตื่นก็คือตื่นแค่นั้นเราเป็นตัวนี้เราปฏิบัติธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นเพื่อจะเข้าถึงสภาพตื่นรู้ เพราะฉะนั้นคำว่าตื่นนนี้เป็นหัวใจสำคัญพวกเราปฏิบัติธรรมกันมารู้สึกตัวเป็นรู้จักสภาพจิตใจที่เป็นปกติเป็นจิตใจเริ่มฟุ้งซ่านน้อยลงทีนี้เราจะเริ่มเข้าใจว่า ความตื่นกับไม่ตื่นอันนี้จะเป็นยังไงความเพลิอนอันนี้เป็นเป็นสิ่งละเอียดที่ถ้าเรายังไม่ปกตินี้เราจะเราจะไม่รู้จักมันความสุขเป็นของติดง่ายๆ เพราะนั้นหลังจากพวกเราปฏิบัติกันมานานเริ่มจิตใจเป็นปกติขึ้นเราต้องเริ่มมารู้จักความเพลินการปฏิบัติธรรมเราไม่เอาอะไรทั้งนั้นสภาพดีเราก็ไม่เอาสภาพไม่ดีเราก็ไม่เอา สภาพไหนก็ได้เราเป็นตัวนี้ตัวที่เราตื่นรู้สภาพต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในจิตในใจของเราเราถึงจะเข้าสภาพเข้าถึงสภาพของการที่เรารู้เฉยๆได้ เราต้องเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพวกเราทุกคนต้องผิดก่อนถ้าเราไม่ผิดเราจะไม่รู้ว่าถูกคืออะไรถ้าใครนั่งแล้วหลับเนี่ยต้องลืมตาขึ้น ความเคลิ้มันนี้เป็นนิวรตัวสำคัญมันทำให้เราหลับไหลในโลกความเพลินเป็นอารมณ์ละเอียดอ่อนที่เราหลงไปง่ายๆเพราะมันเป็นความสุข เพราะนั้นเราต้องตื่นให้ได้ถ้าเราตื่นขึ้นมาเราก็จะอยู่เหนือโลกได้ ผู้ทเจ้ า, าพูดเรื่องเดียวพู้ที่เจ้าพูดเราเป็นผู้ตื่นแล้วเพราะฉะนั้นคำว่าตื่นนี่สำคัญกิรลยาตื่นนี่สำคัญกับทุกคนในตอนนี้ ความตื่นรู้นี่ไม่ใช่เราตื่นรู้แค่ตอนที่เราปฏิบัติธรรมเดินจงกรมนั่งสมาธิหรือว่าเรานั่งขยับมือ14บจังหวัดความตื่นนี้ต้องตื่นในชีวิตประจำวันด้วยสังเกตง่ายๆว่าเมื่อไหร่ที่เราไม่ตื่นเนี่ยชีวิตของเราอันนี้เป็นไม่สดใหม่ทำไมมันไม่สดใหม่มันอยู่ในความคิด ให้ค่าตัดสินเปรียบเทียบทุกอย่างชีวิตเรากำลังอยู่ในวังบนของความหลับไหลแต่ถ้าเมื่อไหร่เราตื่นขึ้นมาเมื่ตื่นขึ้นมาโลกนี้มันก็ว่างว่าง้งข้างในว่างั้นข้างนอกมันเลยเป็นความสดใหม่ทำไมมันสดใหม่เพราะมันไม่มีประสบการณ์ในอดีต หรือว่าการโปรเจกต์อนาคตเข้ามาเกี่ยวข้องแม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งเดิมเราจะอยู่ที่เดิมเราจะเห็นหน้าคนเดิ ม, ดมสิ่งแวดล้อมเหมือนเดิมแต่ในใจเรานี่มันรู้ตื่นเบิก บ, บานสดใหม่มันเลยไม่เบื่อพวกเราอยู่ในโลกแล้วก็เบื่อ จะทำนุ่กบบนกบเบ็เบื่อทำนี่ก็เบื่อเบื่อว่ะอยากจะไปทำนี่แทนอยากจะไปทำนั่นแทนมีแต่เบื่ออย่างเดียวแล้วเราก็บอกว่าเราไม่ทุกข์เรามีความสุขเียแล้วพรเราได้ไปหาความสุขหนีความทุกข์ทั้งชีวิตเราบอกว่าเราหาความสุขพออะไรเพราะเราไม่ตื่น เราลืมตาแต่เราหลับทั้งชีวิตแสวงหาสิ่งที่ไม่มีวันจบสิน้นแต่ถ้าเรามาปฏิบัติธรรมถ้าเรามารู้จักสภาพตื่นรู้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิก บ, บานอย่างแท้จริงงานเราก็จบ เราไม่ต้องทุกข์อีกแล้วทุกวันนี้เราทําน่นทานํานี่เพื่อได้ให้ชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นสบายมากขึ้นดีมากขึ้นสมบูรณ์มากขึ้นเพื่ออย่างเดียวนี้เราอยากได้ความสุขแต่ถ้าเราเข้าถึงสภาพตื่นได้สภาพตื่นนี้ ไม่มีความหวังไม่มีความอยากเข้าใจสภาพต่างๆในโลกว่ามันเป็นอย่างนั้นเองลและชีวิตมันก็สดใหม่ทุกขณะสดใหม่ทุกวันมันก็จบมันก็สบายไม่มีอะไร นั้นตอนนี้ก็ทุกคนเพื่อปฏิบัติธรรมมาพอสมควรนานพอสมควรที่จะต้องเข้าใจเรื่องที่ผมพูดเมื่อกี้นีคือเรื่องสภาพความติมอันนี้เป็นกิริยาสาคัญที่เราต้องรู้สึกสดใหม่ในทุกขณะทุกขณะของชีวิตเราสังเกตง่ายๆเราสังเกตยังไงว่าทุกเมไรที่ เราอยู่ในชีวิตประจำวันนี้แล้วเกิดความคุณข้ อ, ของมองใจความกังวลความไม่เบิกบานให้เรารู้ว่าตอนนั้นเราไม่ตื่นแล้วแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นะเพราะว่าเป็นวิบากไปแล้วเราต้องรับเพราะแปลว่าเราลงไปแล้ว มันเลยเกิดผลแบบนั้นขึ้นผลแห่งความเศร้าหมองความอะไรก็ตามที่มันมืดมืดมัวมัวเมฆหมอกก็ให้เรารู้ทันว่าตอนนี้เราเราไม่ตื่นแล้วแล้วก็พยายามปลุกปลุกความตื่นขึ้นมาก็ปลุกไงก็คือว่าความรู้สึกตัวนี่แหละที่ทำให้เราตื่นขึ้นมาความรู้สึกตัวที่พูดเนี่ย มันต้องพ้นออกจากโลกของความคิดปรุงแต่งด้วยไม่ใช่บางคนก็บอกรู้สึกตัวแนละ้วคิดไปด้วยรู้สึกตัวอยู่แต่ก็คิดคิดนีคด่คิดนั่นอันนี้ไม่ใช่รู้สึกตัวแล้วนั่นหัวใจสำคัญหัวใจสำคัญที่สุดก็คือการพ้นออกจากโลกของความคิดปรุงแต่งให้ได้แต่จะพ้นยังไงมันมีวิธีคือต้องรู้สึกตัว พอรู้สึกตัวปุ๊บมันจะพลิกจากโลกของคิดปงแต่งได้แต่เราเพิ่มที่จะต้องหันกลับมาดูใจตัวเองด้วยชีวิตของเรามีกายกับใจเราจะมัวแต่รู้สึกตัวอย่างเดียวไม่ได้อันนี้จะเป็นรู้สึกตัวแบบซึ่บบือแทน เราต้องมารู้จักใจรู้จักสภาพเดิมแท้ความเป็นปกติอันนี้เป็นตัวแสดงตัวแสดงสภาพเดิมแท้เฉยๆอาการเป็นอาการแสดงเราพาจิตใจรู้จักความเป็นปกติมาดูมันบอ่อยๆมารู้จักมันนี่ใจปกติอยู่ปกติอยู่ปกติอยู่จิตใจที่รู้จักความเป็นปกติ บ่อยเข้าวบ่อยเข้าวบ่อยเข้าเวลามันไม่ปกตินิดนึงนี่มันเห็นเลยแต่ถ้าเราไม่ฝึกจิตใจให้มั น, มนเราฝึกเด็กถ้าเราไม่ฝึกให้มันรู้จักว่าสิ่งนี้มันดีกว่านะมันก็จะไปเกี่ยวข้องเข้าไปยุ่งกับสิ่งที่เป็นความหลงแทนที่ฝึกมาตลอดชีวิตจริ ง, รงๆไม่ได้ฝึกเราก็หลงตลอดชีวิตอั้นทําไมเราต้องรู้จักใจด้วยเพราะว่า เราจำเป็นต้องพาจิตใจีให้มันรู้จักสิ่งที่ดีกว่าแล้วมันจะไม่เอาสิ่งเดิมๆคือความหลงเองแต่ถ้าเราไม่พาจิตใจรู้จักสภาวะที่ดีกว่าเลยมันก็ด้วนๆคอง่ามันก็ด้วนๆมันไม่เต็มร้อยแทนที่ การปฏิบัติธรรมนี่มันจะเต็มร้อยอย่างนี้นก็ทุด้วนหลวงปู่มัม่เคยพูดใช่ไหมถึงใจนี่ถึงพลานิพานเรามีนิพานชั่วคราวกันอยู่ทุกคนอยู่แล้วนะิพัน์ชั่วคราวความเป็นปกตินี่แหละความตื่นรู้ พ้นจากโลกความคิดปรุงแต่งจิตใจเป็นปกติอยู่นี่แหละอันนี้เป็นนิพพานชั่วคราวอยู่แล้ ว, ลวรู้จักมันบ่อยบ่อยรู้จักมันไม่ใช่หลงเข้าไปในมันสภาพตื่นเป็นกิิยาตื่นคำว่าตื่นอันนี้ ไม่มีออธิบายมันได้ตื่นเฉยๆตื่นรู้มันจะว่างไม่ว่างเราก็ตื่นรู้อยู่มันจะปกปติไม่ปกปติเราก็ตื่นรู้อยู่เราเป็นตัวนี้ผู้เป็นตัวเดียวมันเป็นตัวไม่ใช่เราเป็นกิริยานี่กิริยาตื่นรู้เฉยๆจะถามว่ากิริยาตื่นรู้นี่มันว่างไหมว่าง แต่มันไม่ได้เป็นอะไรเพรา ะ, ะนั้นการพูดมั น, ม น, มนยากรู้ตื่นเบิกบานนี่เป็นคำที่พระทุทธเจ้าพูดแต่จริงๆก็ครอบคุมเป็นมุมต่างๆที่พยายามอธิบายถึงตัวจริงของเราคือกิริยามีแค่นั้นรู้ตื่นเบิกบานเพราะฉะนั้นไม่ว่าสภาพอะไรก็ตาม ไม่ว่าสภาพอะไรก็ตามที่พูดตั้งแต่แรกดีไม่ดีเดี๋ยวนี้มันก็มีเรื่องว่างนี้ใช่ไหมว่างไม่ว่างมีตัวตนไม่มีตัวตนคําศัพท์ต่างๆนานาอย่าไปสับสนกับมันขอให้เรามีสภาพของความตื่นรู้นี้เอาไว้สภาพตื่นรู้เนี่ยมันไม่เป็นปฏิปักษ์กับทุกของคู่ใดๆมันตื่นรู้อยู่ อะไรก็ได้มันอะไรก็ได้มันก็ไม่ทุกแต่เมื่อเราถึง <c oughs> สภาพตื่นรู้โดยสมบูรณ์จิตใจที่มันเป็นอย่างปกติอยู่เพราะนั้น <c oughs> มันถึงพูดได้หลายมุมอะหลายมุมปกติก็ได้ว่างก็ได้ ในสภาพของบุคคลที่ตื่นแล้วนี้ปกติไม่ปกติในสภาพที่คนที่ตื่นแล้วนี้จิตใจว่างว่างแต่สภาพบุคคลที่ตื่นแล้วไม่ได้สนใจทั้งปกติทั้งว่างมันเป็นแค่ตัวตื่นเฉยๆกิริยา ต, ตื่นเฉยๆก็ใจยาก เพรา ะ, ะนั้นเราฟังธรรมไปได้เยอะบางทีหลายครูบาอาจารย์ดูจะงงเพรา ะ, ะนันพวกเราจำสิ่งที่สำคัญที่สุดที่สุว่าเราต้องตื่นขณะทีเราตื่นความรู้สึกของการตื่นสดใหม่ไม่มีความคิดมันก็เบิกบานไปในตัวไม่เศ้าหมอง ม, มีการเปรียบเทียบอดีตอนาคตปัจจุบันปัจจุบันก็ไม่มีเหมือนกันมันเป็นแค่การไหลเลื่อนของของสภาพเฉยๆแต่ภาษาเราจําเป็นต้องพูดว่าให้รู้ปัจจุบันเพราะว่าคนฟังมันต้องเอาไปคิดว่ามันแปลว่าอะไรมันข อ, อรู้ปัจจุบันแปลว่าไม่อยู่อดีตไม่อยู่อนาคต เลยต้องพูดคำว่าให้รูป้ปัจจุบันนี่เป็นภาษาเฉยเฉมันมีความตื่นอย่างหนึ่งที่เป็นตื่นเขาเรียกว่าตื่นด้วยกิเลสเหมือนเรามีแฟนเราก็คุยโทรศัพท์กับแฟนได้ทั้งคืนกลงเช้าเลยตื่นเหมือนกันไม่ง่วงอันนี้ก็เรียกว่าตื่นด้วยราคะโจรจะไปขโมยเงินต้องไปกลงคืนใช่ไหมขโมยบ้านคนอื่นครับ ตื่นด้วยโลภะคนเราทะเลาะ ก, กันหน้าดำหน้าแดงไม่หลับเลยใช่ไห ม, ไมตื่นเพราะโทรศัพท <c oughs> ์อะไรเงี้ยเพราะนั้นคือไอ้แบบนี้มันเรียกตื่นเพราะกิเลสแต่จริงๆมันไม่ได้ตื่นหรอกมันเป็นคำพูดเฉยจริงจริงมันจมอยู่ในกิเลสนั่นแหละแต่มันทำให้เรารู้สึกเป็นเอเวกมีแต่มันไม่ใช่สภาพตื่นมันเป็นสภาพของการที่เราอยู่ในกิเลสที่มันร้อนแรง พอมันอะไรที่มันร้อนแรงเนี่ยมันเป็นทุกข์พอมันเป็นทุกข์เนี่ยมันหลับไม่ได้มันร้อนลนมันมันมันไฟเผาตลอดเวลามันมันหลับไม่ลงนะมันเลยเหมือนจะตื่นแต่มันจริงๆแล้วมันคือการที่โดนกิเลสเผาลมอยู่ตลอดเวลาแต่ความตื่นที่เราพูดถึงอันนี้ก็เป็นตื่นจริงๆการตื่นนี่มันคือไม่เข้าไปอินวอล์กับอะไรเลยเราเห็นอยู่แต่ไม่เป็นกับมันที่หลวงพ่อคำเขียนพูดอะไรเนี้ย ไม่เป็นอะไรกับอะไรแล้วนี่คือสภาพตื่นอยู่คุณพ่อเขียนก็น่ารักนะใช้คำดีมากเลยไม่เป็นอะไรกับอะไรคำเดียวนี่ครบเลยเป็นสภาพรู้ตื่นเบิกบานเลยไม่เป็นอะไรกับอะไรมันเป็นสภาพตื่นนี่แหละมันไม่เข้าไปเป็นด้วยเพั้นสภาพตื่นคือสภาพที่ไม่เป็นอะไรกับอะไรถ้าเราโกรธแต่เราตื่นอยู่เราราคะแต่เราตื่นอยู่ นี่เราเข้าไปเป็นกับสิ่งนั้นใช่ไหม น, นี้ไม่ได้เรียกตื่นแต่มันก็รู้เหมือนมันตื่นเหมือนกันเพราะจริงเราหลับเราหลับ